ในเช้าวันนี้ก็ขอให้พระพิสุสงฆ์สามเณรแม่ทีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงตั้งใจทำความเพียรจงตั้งใจทำสมาธิจงตั้งกิจตั้งใจ ให้เกิดสติปัญญากับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ <c oughs> ในเช้าวันนี้ <c oughs> ก็ขอให้ผู้ประพิปฏิบัติธรรมทั้งหลาย <c oughs> ได้ทำหน้าที่ของตน <c oughs> ได้ทำในสิ่งที่เราสมควรทำ ได้ทำในสิ่งที่ดีให้กับตนเองและทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับตนเองก็ขอให้ตั้งใจค่อยๆหลับตาลงเพื่อที่จะทำสมาธิเพื่อที่จะสงบกายเพื่อที่จะสงบใจของเราเองแล้วเราค่อยๆนั่งฟังไป ในเช้าวันนี้ก็จะพูดถึงการประพฤติปฏิบัติที่เราได้ทำกันอย่างต่อนเนื่องในระยะเวลาที่เข้าพรรษาสามเดือนก่อนหน้า น, นั้นได้พูดถึงเรื่องของการเกิดว่าอะไรทำให้เกิดและทำไมเราเกิดมาเพราะอะไร แม้กระทั่งความแก่เราแก่อย่างไงถึงจะมีค่าแก่อย่างไงถึงจะไร้ค่าแก่อย่างไงถึงจะดีแก่อย่างไงถึงจะไม่ดีก็จะมาพูดต่อวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความเจ็บก็ขอให้ตั้งใจฟัง ว่าความเจ็บมันคืออะไรอะไรที่ทำให้เราเจ็บอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เมื่อเข้ามากระทบใจเราเนี่ยทำให้ใจเรามันรู้สึกได้สิ่งนี้เข้ามากระทบเราเนี่ยทำให้ใจเราเจ็บได้ทำให้กายเราเจ็บได้มันคืออะไรหนาขกนั่งพิจารณาไป นั่งมองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราความเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราตอนไหนเราก็ไม่รู้ความเจ็บเนี่ยมันมาอยู่กับเราตอนไหนเราก็ไม่รู้แต่ขณะที่เรารู้ในขนาดนั้นเนี่ยเราได้รับอะไรมาบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจ ว่าสิ่งที่เราได้รับอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันคืออะไรอะไรที่ทำให้กายเราเจ็บอะไรที่ทำให้กายเราต้องทรมานอะไรที่ทาให้กายเราต้องเจ็บปวดและทุกข์ได้ขนาดนี้แล้วมันคืออะไรละ่ะก็ให้นั่งพิจารณาไปสิ่งที่ทำให้กายเราต้องเจ็บมันคืออะไร ก็คืออายุกับวันเวลานั่นเองที่ทําให้กายเราต้องเจ็บที่ทําให้กายเราต้องปวดนอกเหนือจากสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้นอกเหนือจากสิ่งนี้เนี่ยเป็นคําที่ไม่ได้เป็นพระธรรมคําคสั่งสอนที่ตั้งเอาไว้ คนเราเกิดมาเนี่ยกามีอยู่แค่สองอย่างนี่แหละกายกับใจเราเท่านั้นที่ทําให้เราต้องเจ็บที่ทําให้เราต้องปวดปวดด้วยอะไรเจ็บด้วยอะไรด้วยอายุด้วยวัยด้วยสังขารและก็วันเวลานี่แหละเมื่ออายุเมื่อสังขารเมื่อวันเวลามันผ่านไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ย อายุเราก็มีแต่เพิ่มขึ้นอายุก็มีแต่มากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยสังขารเราก็ร่วงโรยมากขึ้นสังขารเราก็เริ่มแก่ลงมากขึ้นแล้วลองคิดดูว่าแล้วอะไรที่ทำให้กายเราต้องเจ็บแล้วอะไรที่ทำให้ใจเราต้องเจ็บ วันเวลาที่ผ่านไปนั่นเองวันเวลาผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ได้พิจารณาตัวเองเราไม่ได้มองตัวเองคือไม่ได้รอบรู้ในกองสังขารของตนเองนั่นแหละเราถึงไม่เข้าใจว่าวันเวลามันผ่านไปแล้วทำไมกายเราถึงเจ็บทำไมกายเราถึงป่วย ทำไมกายเราถึงแย่ลงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอายุกับเวลาที่มันผ่านไปนี่เองมันไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้สิ่งที่นอกเหนือจากนี้คือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งที่มันเกินธรรมชาติสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติให้มา ถ้าคนเราคิดว่าโอ้ร่างกายนี้มันไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยไม่มีความรู้สึกปวดเลยมันก็ไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้เลยเราคิดว่าเราจะยื้อร่างกายเราไว้เราจะดึงร่างกายเราไว้แม้กระทั่งแขนขาแม้กระทั่งหน้าตาแม้กระทั่งรูปร่างเราก็เฝ้าเพียมพยายามเพื่อที่จะให้มันไม่แก่ แต่มันทำได้ไหมมันก็ทำไม่ได้ในความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้เลยขาเราใหญ่เกินไปเราก็พยายามไปทำให้มันเล็กลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกินธรรมชาติมันผิดธรรมชาติที่ให้เรามาแม้กระทั่งหน้าท้องเราใหญ่เกินไปเราก็พยายามไปดูดไขมันออกไปรีดไขมันออกเพื่อให้ท้องมันเล็กลง แม้กระทั่งหน้าตาก็เช่นเดียวกันแม้กระทั่งหน้าอกก็เช่นเดียวกันมันยังใหญ่ไม่พอมันยังโตไม่พอเราก็ไปเสริมมันเข้าไปฉีดไอ้นู่นฉีดไอ้นี่เข้าไปเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเรากำลังปรุงแต่งอยู่หรือเปล่าแม้กระทั่งหน้าตาก็เช่นเดียวกัน หน้าตาเราคิดว่าโอ้หน้าตาเรายังไม่ดีพอหน้าตาเรายังไม่เต่งตึงพออัล่ามันยังไม่เกิดก็ฉีดไอ้นั้นเข้าไปเพิ่มไอ้นี้เข้าไปแล้วเราลองคิดดูว่าสิ่งที่มันเกินธรรมชาติเนี่ยมันมองแล้วมันดูแล้วเนี่ยมันน่ามองไหมมันพิจารณาแล้วมันดูดีไหม สิ่งไหนที่มันเหนือธรรมชาติไปแล้วสิ่งไหนที่มันเกินธรรมชาติไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะมันเกินไปแล้วเกินที่กายและใจเรารับลู้เกินที่กายและใจเราจะเข้าใจได้เพราะนั้นความเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจเราเนี่ย ก็คือวันเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปวันหนึ่งโดยที่เราไม่ได้พินิษพิจารณาถึงตัวเราเองเราไม่ได้พินิษพิจารณาถึงใจเราเองว่าระหว่างกายกระใจเนี่ยอะไรทำให้เราเจ็บมากกว่าระหว่างกายกระใจอะไรทาให้เราปวดมากกว่า กายเราบางครั้งเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้เรารู้สึกได้ต่อเมื่อเราป่วยต่อเมื่อเราเจ็บต่อเมื่อเรามีบาดแผลเท่านั้นเราถึงจะรู้สึกว่ามันเจ็บแล้วใจละ่ะใจที่มันเจ็บทําไมมันเจ็บเหลือเกินทั้งๆั้งที่ใจมันไม่เคยมีบาดแผลเลยแต่ทําไมใจมันถึงเจ็บเหลือเกินมันเป็นเพราะอะไร เพราะว่าเราสร้างบาดแผลให้กับใจตัวเองเราพยายามกีดใจเราทุกวันทุกวันทุกวันให้มันเป็นบาดแผลขึ้นมาเมื่อมันเป็นบาดแผลมาก็ทําให้ใจเรารู้สึกเจ็บเจ็บมากถึงมากที่สุดแต่เราก็ไม่เข้าใจอีกเราไม่รู้อีกว่าในขณะที่ใจเรากำลังเจ็บเนี่ยกายเราเป็นอย่างไร ใจใกายเราก็เริ่มรู้สึกเบื่อกายเราก็เริ่มรู้สึกทอ้อกายเราก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินกับสังขารเหล่านี้เพราะใจมันเจ็บแล้วเราลองคิดว่าที่ใจมันเจ็บเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าใจเราคิดเองใช่ไหมเพราะว่าใจเราปรุงแต่งเองใช่ไหม หรือว่าใจเราต้องการเองหรือว่าใจเรามีความอยากหรือว่าใจเราปล่อยวางเราก็ลองพิจารณาไปที่ใจเราดูถามใจเราดูว่าที่มันเจ็บเนี่ยเพราะอะไรใจเรามันคิดอย่างไรใจเรามันต้องการอย่างไรเจ็บใจแล้วมันก็รักษายาก เมื่อมันเจ็บใจแล้วมันก็รักษาไม่หายมันรู้สึกปวดเหลือเกินมันรู้สึกลวดล้าอยู่ภายในจิตในใจเราเหลือเกินแล้วเราจะรักษาอย่างไงเราจะทำยังไงให้แผลที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันดีขึ้นใจที่มันเคยเจ็บเนี่ยทำยังไงให้มันหายเจ็บใจที่มันเคยปวดทำยังไงให้มันหายปวด ใจมันที่เคยล้าทำยังไงให้มันหายล้าใจที่เคยเหนื่อยทำยังไงให้มันหายเหนื่อยสิ่งนี้เนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติน่าจะประพฤติปฏิบัติได้ดีน่าเข้าใจใจตัวเองได้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเราแต่ละวันเนี่ยที่ทำให้เราต้องเจ็บเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นที่ตัวเราหรือว่าเป็นที่ตัวเขา ถ้าเป็นตัวเรามันคงไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยเราจะมายึดว่าเป็นตัวเราไม่ได้มันต้องเป็นตัวเขาแล้วเราก็ลองคิดว่าเอ้ยตัวเขารู้ตัวเราที่เราต้องเจออยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นเพราะตัวไหนมันเป็นเพราะอะไรเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติไปแล้ว ไม่เข้าใจในสภาวะเขาเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นภายในอารมณ์ต่างๆในความคิดต่างๆในความรู้สึกต่างๆถ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ถือศินแปดถือสินสิบสินสี่สิบเ็ดก็ทำแต่จะเรียกว่าสภาวะธรรม สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นภายในใจนี่แหละแต่เมื่อสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองเห็นสภาวะธรรมหรื อ, อยังเราเข้าใจในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นหรื อ, อยัง แต่บางคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นสภาวะกรรมที่มันเกิดขึ้นกับตนเองมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างสภาวะกรรมเนี่ยอยู่ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาอยู่ที่เรานึกคิดขึ้นมาแต่สภาวะธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติปัญญาขณะที่เรารู้ทันรู้เท่าทันในอารมณ์รู้เท่าทันในความคิด รู้เท่าทันในความรู้สึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าสภาวะธรรมแต่สิ่งที่เราปรุงแต่งสิ่งที่เราคิดเรามีความพอใจไม่พอใจมีความอิจฉามีความริษยาสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิด เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะยอมรับกับมันไม่ได้เตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ยังไงมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้กายและใจของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกเจ็บ เพราะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติต้องพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิตเพราะทุกขณะจิตเนี่ยก็จะเกิดและกระดับเกิดและกระดับความคิดเนี่ยมันเกิดและเดี๋ยวความคิดมันก็ดับความรู้สึกมันเกิดและเดี๋ยวความรู้สึกมันก็ดับอารมณ์มันเกิดในขณะนี้และเดี๋ยวอารมณ์มันก็ดับ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเสียมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปเหมือนสภาวะจิตเราเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันปรุงแต่งเยอะแยะมากมายมันจะคิดมันจะรู้สึกมันจะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมันไป แต่เราตามไม่ทันเรารู้ให้ทันว่าในขณะนี้เนี่ยใจของเรามันเกิดดับเกิดดับมันเกิดพร้อมลมหายใจเข้าดับพร้อมลมหายใจออกและการเกิดการดับพอเราหายใจเข้ามันก็เกิดพอเราหายใจออกมันก็ดับนั่นคือสภาวะจิตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยความเป็นจริง โดยที่เราไม่ได้คิดโดยที่เราไม่ได้พิจารณาว่าโอ้ใจเราเนี่ยทำไมมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้แล้วทำไมมันต้องเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวินาทีเนี่ย เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยที่เรายัางไม่ได้คิดเกิดขึ้นโดยที่เรายัางไม่ได้ปรุงแต่งเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเราไม่ได้จินตนาการมันขึ้นมามันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะนั้นก่อนที่เราประพฤติปฏิบัติไปแล้วถ้าเราไม่พิจารณาถึงความเป็นจรงิง เรามองไม่เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและเราไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นให้ได้เราก็ปฏิบัติไปแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเราคิดว่าความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ยอมรับในความเป็นจริงเราไม่อยากรับรู้ในความเป็นจริงเราไม่อยากได้ยิน <c oughs> ทาไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นั่นเองเราทนต่อสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ได้นั่นเองเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเรายังไม่รู้ว่าเราจะกาหนดอย่างไงและเรายังไม่รู้ว่าเราจะแก้ยังไงเพราะนั้นผู้ประพฤฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมันพินิษ์พิจารณาให้ดีด ทำยังไงแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงอีกบางครั้งเราก็มองตัวเองไม่ออกบางครั้งเราก็บอกตัวเองไม่ได้บางครั้งเราก็ใช้ตัวเองไม่เป็นเพราะเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจในสภาวะที่เกิดขึ้นกับกายเราไม่เข้าใจในสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจเรา ทั้งกายและใจเนี่ยมันก็เลยเกิดความเจ็บขึ้นมาในขณะนี้เนี่ยกายเราก็เริ่มเจ็บแล้วกายเราก็เริ่มปวดแล้วกายเราก็เริ่มทรมานแล้วทําไมมันถึงปวดล่ะทําไมมันถึงเจ็บล่ะทําไมมันรู้สึกว่าเริ่มทรมานนี่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราเรานั่งในท่าที่ ฝื้นตัวเองอยู่ความเจ็บก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความปวดก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนกับใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อกายเราปวดใจมันก็เริ่มปวดใจปวดเพราะอะไรใจปวดเพราะเราคิดเพราะเราปรุงแต่งว่ามันปวดเพราะเราปรุงแต่งว่ามันเจ็บแต่ถ้าเราคิดว่า ไอ้กายมันปวดแต่ใจเราไม่ได้ปวดเนี่ยยังไงมันก็ไม่ปวดกายเราเจ็บแต่ใจเราไม่ได้เจ็บเนี่ยยังไงเราก็ไม่เจ็บแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้โหกายเราปวดมากสังขารเราล้าแล้วสังขารเราเหนื่อยแล้วพอใจมันคิดปุ๊บใจมันต้องการปุ๊บอ่านี่แหละสิ่งที่ทำให้ใจเราเจ็บโดยที่เราไม่รู้ตัวที่ใจเราเจ็บเพราะเราคิด เองเรานึกเอาเองเราปรุงแต่งเอาเองแล้วเราก็ตัดสินด้วยใจเราเองบางครั้งเราตัดสินตัดสินไปแล้วมันถูกต้องบางครั้งที่เราตัดสินไปแล้วมันไม่ถูกต้องนะมันจะเกิดอะไรขึ้นใจเราก็เจ็บอีกเหมือนเดิมบางครั้งเราตัดสินใจไป มันดีแล้วแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นมาละ่ะใจเราอีกนั่นแหละที่ต้องเจ็บอีกเหมือนเดิมเนั้นระหว่างกายกับใจเนี่ยที่เราสามารถพิจารณาได้ที่เราพึงจะรู้ได้พึงจะเข้าใจได้ระหว่างกายกับใจเนี่ ย, าาาะะะ ย, ยอะไรมันจะเจ็บมากกว่ากายกับใจเนี่ยเมื่อเจ็บแล้วเนี่ยอะไรรักษาง่ายกว่า รักษายากกว่ากายเนี่ยมันเจ็บแค่ภายนอกสิ่งที่เจ็บภายนอกเนี่ยแผลเหมือนบาดแผลที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็รักษาง่ายเกียวยาง่ายดูแลง่ายดูแลมันเอาใจใส่มันเดี๋ยวมันก็หายแต่ใจที่มันเจ็บอยู่ข้างในเนี่ยมันจะรักษายังไงรักษายังไงก็ไม่ค่อยหายทายายังไงก็ไม่ค่อยหาย ทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นสักทีแล้วเราจะรักษาอย่างไงเราจะรักษาใจได้ก็ต่อเมื่อเรามีความบริสุทธิ์ใจนั่นเองเมื่อเรามีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยใช้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยไปรักษาใจก็เปรียบเสมือนใช้ใจรักษาใจนั่นเอง แล้วก็ใช้ใจอ่ะห้ามใจเอาไว้แล้วก็ใช้ใจเราอีกนั่แหละขมใจเอาไว้ฟังแล้วดูเหมือนจาไม่ค่อยเข้เขาใจแต่ถ้าเราทำความเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะรู้ใจเราเมื่อเรารู้ใจเราเนี่ยเราก็สามารถไม่ให้ใจเราเจ็บได้ ไม่ให้ใจเราช้ำได้ไม่ให้ใจเราทุกได้ไม่ให้ใจเราเดือดร้อนได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมเจออยู่เป็นประจำย่อมเจออยู่เป็นหนึ่งนิดแม้กระทั่งไม่ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติก็ต้องเจอแน่นอน เพราะกายกับใจเนี่ยเป็นของคู่กันกายกับใจมันต้องอยู่รวมกันมันต้องอยู่ด้วยกันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไม่ได้เหมือนผู้ที่เข้ามาถือศีลก็เช่นเดียวกันสิ่งที่คู่กันคือการประพฤติปฏิบัติคือการทำสมาธิถ้าเราแค่มาถือศีลอย่างเดียวเราไม่ได้สวดมนต์เราไม่ได้ทำวัดเราไม่ได้ทาสมาธิจเจริญภาวนาเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ย เราก็จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพราะนั้นเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องไปคู่กันและก็ต้องไปด้วยกันก็ในเช้าวันนี้ก็ขอให้ผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาถือศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้รู้ได้เข้าใจในกายของตัวเอง ได้รู้ได้เข้าใจในใจของตัวเองระหว่างกายกับใจเนี่ยอะไรที่ทำให้มันรู้สึกเจ็บมากกว่ากันกายเราต้องปฏิบัติเช่นไรใจเราต้องคิดเช่นไรต้องทำเช่นไรเพื่อที่ไม่ให้มันเจ็บ ก็มีอยู่แค่อย่างเดียวอย่างที่ได้บอกไปต้องทำใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นถ้าใจเราไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็รักษาใจเราไม่ได้ใจเรายังมีความคิด ยังมีจิตที่ปรุงแต่งมีความอิจฉาลิษยามีความอาฆาตมีการพยาบาทมีการปองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีอคาาติซึ่งกันและกันรักษาอย่างไงก็ไม่หายคนที่ชอบนินทาการเล่ชอบว่าคนนั้นชอบพูดถึงเรื่องคนนี้รักษาใจยังไงก็ไม่หายเพราะใจมันบอบช้ำ ม, มามากแล้ว ใจมันเจ็บมานานแล้วบาดแผลที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันยากที่จะรักษา ห, หายได้ยากที่จะเจียวยาให้มันดีขึ้นมาได้มันกลายเป็นแผลเลือดลังไปแล้วซึ่งรักษาไม่หายมันจะเป็นอย่างนี้ไปจนตายเลยถ้าเราไม่รู้จักรักษาใจเราเราไม่รู้จักดูแลใจเราเนี่ยใจเราก็จะเจ็บเจ็บไปจนตายเขาาอย่างนั้น เอาละในเช้าวันนี้ก็ขอให้ผู้ประพิปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กดน้ำกับพระพิสุส่์ครั้งหนึ่งไม่ต้องรีบเนาะค่อยๆลืมตาขึ้นเพื่อที่จะออกจากสมาธิการออกจากสมาธิเนี่ยเราก็ต้องรู้ ต้องเข้าใจต้องพิจารณาถึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะขยับยังไงจะขยื่นตัวเรายัางไงเราต้องมองให้เห็นเราต้องเข้าใจมันให้ได้ถ้าเรารู้ทันเราตามทันเนี่ยไม่มีสิ่งใดเลยที่เข้ามาภายในกายเราแล้วเราจะรู้ไม่ทันมันเราจะไม่เข้าใจมัน